สิษาบทที่9ภิกพิุณีเทอุจาระหรือปัสสาวะน้ำลายอยากเยื่อหรือของเป็นเดนบนของเขียวสดต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังเทต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อเทแล้วต้องอาบัตปาจิตตี